กลองจันไรตกลงว่ายศทั้งสามอย่างต้องมีคนให้ทั้งนั้นจึงจะได้อิสริยยศก็ต้องมีพระราชาให้บริวารยศก็ต้องมีพวกพ้องให้เกียรติยศก็ต้องมีมหาชนให้เราเองมีหน้าที่แต่สร้างเหตุที่จะให้ยศแต่ให้ยศแก่ตัวเองไม่ได้ มันยกไม่ขึ้นเอากันแค่นอกๆ น, นี่แหละท่านผู้ใด ย, ยกตัวเองได้บ้างไหนลองยกให้มันลอยขึ้นไปดูสิบางท่านอาจนึกแย้งว่าที่เวลาเล่นกระโดดสูงละ่ะทำไมเขายกตัวให้ลอยขึ้นได้ถูกแต่การยกตัวเองอย่างนั้นก็ตกเร็วไม่เหมือนให้คนอื่นยกให้อาจอยู่ได้ตั้งนานๆ นี่มันเป็นเรื่องนอกๆทีนี้การยกตัวให้เด่นขึ้นเพราะอยากมีหน้ามีตาอยากให้คนอื่นเขาว่าตัวเก่งยิ่งสำคัญมากใครยกตัวเองเป็นคนไม่ดีท่านเปรียบว่าเหมือนกลองดังเองคือกลองที่เราตีกันนะจะเป็นกลองวัดหรือกลองลิเกก็ตามเราเอามันแขวนไว้ ธรรมดากลองดีถ้าไม่มีใครตีมันต้องอยู่นิ่งๆดังเองไม่ได้ทีนี้ถ้ากลองใบใดไม่มีใครตีเลยมันเกิดดังตูมตูมขึ้นเองเขาเรียกว่ากลองจันไรเอาไว้ในบ้านเมืองไม่ได้จะทำให้บ้านเมืองเกิดยุคเข็นเดือดร้อนกลองอย่างนี้ต้องเอามาสับเป็นชิ้นๆ แล้วเอาใส่ไฟเผาให้หมดเสร็จแล้วกวาดเอาขี้เท่าไปล่องน้ำเสียแม้แต่ดินตรงที่เผาก็ต้องขุดกว้างสองศอกยาวหนึ่งศอกโกยเอามูลดินไปล่องน้ำเสียด้วยสัดด้วยน้ำมนตรนิสารให้หายเสียดบ้านเสนียดเมืองเรื่องของกลองดังเองมันไม่ดีจริงๆทีนี้ กลองใบใดมีคนตีแล้วตีเท่าไหรไม่ดังสักทีจันไรอีกเหมือนกันแล้วก็ต้องทำพิธีปัดเสนียดเหมือนกลองดังเองนั่นแหละกลองดีไม่มีใครตีมันต้องอยู่นิ่งๆมีแต่รักษาสมรรถภาพไว้ในตัวคือพร้อมที่จะดังได้ทันทีเมื่อถึงคราวถูกตีพอถูกตีปั๊บก็ส่งเสียงดังให้สมกับที่เขาตี คนดีก็เหมือนกลองดีต้องสั่งสมความดีใส่ตัวไว้แต่ถ้าไม่มีใครยกให้ก็เฉยไว้ถ้ายกตัวเองประเดี๋ยวจะเป็นคนจันไรถ้าหากเขายกให้แล้วก็ต้องทำตัวให้สมกับที่เขายกหมายความว่าเมื่อมีคนตีแล้วเราก็ดังดังให้สมกับที่เขาตีเช่น เขาแต่งตั้งให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มอบหน้าที่ให้ทำโน่นทำนี่ตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้างเป็นกำนันเป็นในอำเภอเป็นครูเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นผู้แทนจนกระทั่งเป็นถึงรัฐมนตรีนี่เรียกว่าถูกเขาตีแล้วไม่อยากดังมันก็ต้องดังอย่างผมเวลานี้ โดนยุวพุทธิกะสมาคมตีให้เขาแล้วก็ต้องดังให้เขาหน่อยอยู่เฉยๆเขาไม่ตีผมจะไปเที่ยวหาดังเองก็ไม่ได้ประเดี๋ยวจันไรไม่เชื่อใครลองดูก็ได้คนที่ไม่ถูกเขาตีสักหน่อยลองขึ้นมาแย่งกันพูดดูสิยุ่งทันทีบ้านเมืองที่มันยุ่งก็เพราะเรื่องคนดังเองนี่แหละคือว่า ตัวไม่โตแล้วทำเป็นโตตัวไม่มีหน้าที่แสดงว่าตัวมีหน้าที่ตัวไม่มีฤทธิ์แสดงว่าตัวมีฤทธิ์อย่างที่ภาษาสมัยนี้เขาเรียกว่าเบ่งคนเบ่งนั้นถ้าว่าอย่างผมว่าก็เป็นประเภทคนดังเองยุ่งหรือไม่ยุ่งท่านดูเอาเองก็แล้วกันบางทีขึ้นไปดังเองบนรถเม์ ก็เกิดยุ่งขึ้นในรถบางทีเข้าไปดังเองในโรงหนังก็ยุ่งขึ้นในโรงหนังในสภาในวัดในตรอกและในทุกหนทุกแห่งถ้ามีคนดังเองแล้วไม่ผลยุ่งยุ่งจนได้บางทีคนดังเองกับคนดังเองไปเจอกันเข้าถึงกับต้องส่งโรงพยาบาลก็มีอย่างนี้แหละที่เรียกว่า เกิดจันไรบ้านจันไรเมืองตัวจันไรนั้นถ้ามันเกิดขึ้นที่ใดมันทำให้ที่นั่นยุ่งคล้ายๆกับตัวอุบาทลงที่ไหนรังที่นั่นตอนยกแต่ว่าเรื่องยกยกมาแล้วก็เลยจะพูดเรื่องยกต่อไปอีกสักหน่อย ท่านกาลังก้าวเข้าไปถึงจุดที่จะวางกลแก้ทุกในเรื่องยศแล้วตกลงว่าเรื่องยกนั้นเรายกตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยคนอื่นเข้ายกให้ปัญหาจึงมีอยู่ว่าทำอย่างไรคนอื่นเขาจะยกให้เราผมตอบอย่างกาปั้นทุบดินเสียก่อนว่าคนอื่นเขาจะยกให้ก็อยู่ที่ว่าเราเองทำตัวให้หนายก เขาจึงจะยกลงตัวเราเองมันไม่มีอะไรที่น้ายกเขาจะมายกให้หาอะไรคิดดูเองถ้าเขายกก็คงจะยกเบี่ยงทิ้งแต่ถ้าเรามีอะไรน้ายกอยู่ในตัวแม้จะยากแม้จะลำบากเขาก็ยกให้จนได้ดูแต่สูงไม้สักทั้งต้นหนักแสนหนักไกลแสนไกลโน่นเกิดอยู่ถึงเชียงใหม่ลำปาง ก็อุตส่าห์ยกกันมาถึงกรุงเทพถึงกับยกข้ามแม่น้ำข้ามทะเลไปเมือง น, นอกก็มีนั่นเพราะมันมีอะไรดีน่ายกแม้แต่เป็นไม้เป็นไร่โฆษณาตัวเองไม่ได้เลยมนุษย์เราก็ยกให้จำพวกแร่พวกเพชรพลอยก็เหมือนกันคุดอยู่ใต้เขาก้นบาดาล คำเดียวมันก็ไม่ได้แจ้งความโฆษณาตัวเองมนุษย์ก็อุตสาหขุดตามลงไปยกเอาขึ้นมาประดับไว้บนมงกุฎของพระมหากษัตริย์จนได้คนเรานี้ก็เหมือนกันผู้มีความดีในตัวควรแก่การยกก็มีคนยกจนได้ยกขึ้นเป็นผัวเขายกขึ้นเป็นเมียเขายกขึ้นเป็นหัวหน้าเขา ยกขึ้นเป็นลูกน้องเขายกขึ้นเป็นอะไรอะไรอีกหลายอย่างจนกระทั่งยกให้ครองบ้านครองเมืองเรื่องของเรื่องก็คือเป็นคนมีอะไรน่ายกเขาก็ยกให้ถูกอาจมีบ้างบางครั้งบางคราวที่คนเราเกิดเห็นผิดเป็นชอบไปยกคนที่ไม่น่ายกแล้วคนที่น่ายกกลับไม่ยกอย่าว่าแต่การยกคน ซึ่งมีที่ซ่อนความร้ายไว้ในตัวตั้งร้อยชั้นพันชั้นเลยแม้แต่เราจะซื้อผ้าเช็ดหน้าใช้สักผืนสองผืนเราเลือกผิดก็ยังมีแต่คนที่ไม่น่ายกนั้นแม้จะมีใครเขายกแล้วประเดี๋ยวก็วางตอนยกสองยกแม้คนอื่นยกก็ต้องระวังเหมือนกันเดี๋ยวจะว่าไม่บม่ม แล้วจะช้ำใจคือคนอื่นยกก็มีอยู่สองยกได้แก่ 1. ยกยอและสองยกย่องยกยอ ก, กับยกย่องมันก็ยกเหมือนกันแต่ยกคนละแบบต้องทราบไปด้วยไม่เช่นนั้นความทุกข์จะเล่นงานเอาว่าเรื่องยกยอก่อนยอท่านผู้ฟังเข้าใจแล้วใช่ไหม ยอที่ชาวนาเขาใช้ดักปลานะักคือมีเครื่องจับปลาชนิดหนึ่งเขาเรียกว่ายอถ้าท่านนั่งเรือไปตามคลองแถวรังสิตหรือแถวเชียงรากท่านจะเห็นชาวบ้านเขาเอายอดักปลาไว้ตามคลองหน้าบ้านลักษณะคล้ายคล้ายสวิงแต่ใหญ่จมไว้ในน้ำแล้วมีคันต่อขึ้นไปบนฝั่งคลอง เครื่องมือชนิดนี้ดูเหมือนชาวอีสานเรียกว่าสะดุ้งแต่วิธีใช้ต่างกับยออยู่บ้างสะดุ้งเขาใช้วางลงในน้ำสักครู่เดียวแล้วก็ยกวางไปยกไปได้ปลาพอกินแล้วก็แบกสะดุ้งกลับบ้านแต่ยอนี้เขาจมลงในน้ำนานๆเวลาเขาอยากกินปลาเขาก็ไปกดที่คันให้ข้างที่จมอยู่ในน้า กระดกขึ้นเขาเรียกว่ายกยอยกยอขึ้นมาจับเอาปลาแล้วก็ปล่อยยอให้จมลงอีกวันหลังอยากกินปลาอีกก็ยกยอขึ้นอีกแต่ถ้าวันไหนเขาเกิดอยากกินหมูกินไก่เขาก็ไม่ยกยอปล่อยให้ยอจมอยู่นั่นแหละน่าสมสารยกคนก็เหมือนกับยกยอคือถ้าเขาอยากใช้เขาจึงยก พอใช้แล้วก็เลิกยกอย่างนี้เรียกว่ายกยอพูดง่ายๆคือเขาเกิดอยากกินปลาเราเขาก็ยกเราขึ้นพอล่อปลาเราแล้วเขาก็ปล่อยเราจมต่อไปบางคนถูกเขายกยอก็ถือเอาเป็นจริงเป็นจังดีอกดีใจว่าตัวประเสริฐเลิ่ลอยอย่างที่เขายกไม่ได้คิดถึงว่า เขาจะปล่อยให้เราจมอีกรันต่อไปต่อไปไม่เห็นเขายกให้ก็เสียอกเสียใจโดนความทุกเล่นงานเอาถนัดแต่ถ้าเขายกยอเราก็รู้ว่านี่ยกยออย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าไม่เป็นไรความจริงยกยอพอจะสังเกตได้ง่ายๆคือถ้าเขายกแล้วใช้ให้พึงสันนิฐานไว้ก่อนว่ายกยอ อย่างคนเขายืมสตางเราพอมาหาเราก็เริ่มชักไม่น้าตั้งห้าว่าคุณเป็นคนกว้างขวางดีถ้าน้นท่านี้พอใจเราลอยแล้วเขาก็จับเอาปลาคือยืมเงินอย่างนี้เป็นต้นเรื่องอย่างนี้เราจะว่าคนยกเขาไม่ได้เรียกว่าเขาฉลาดในทางจิตวิทยาหรือกุษโลบาย มนุษย์เราก็เป็นอย่างนั้นเสียด้วยถ้าไม่ยกเลยจะใช้จวานอะไรก็ไม่ค่อยคล่องต้องหาทางยกใจให้เขาลอยเสียก่อนพอใจลอยแล้วจะใช้จวานก็ดูเป็นเรื่องเป็นราวใจของคนเราก็เหมือนกับโต๊ะนี่แหละถ้าเราจะเอาโต๊ะตัวนี้ไปไว้เสียมุมโน้นเอาตู้ใบโน้นหันหน้าไปเสียทางนั้น แรกจริงๆต้องยกให้มันลอยขึ้นจากพื้นเสียก่อนพอมันลอยแล้วจะหมุนไปทางไหนทางไหนก็ได้ทั้งนั้นคนเราก็เหมือนกันถ้ายกให้ใจลอยได้แล้วอะไรอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าจะขอความรักจากสาววิธีจีบก็ต้องเริ่มต้นด้วยการยกแล้วแต่ว่าควรจะยกมุมไหนเช่นชมว่าคุณสวยหรือเกิน ใจ ด, ดีเหลือเกินยิ้มเก๋เหลือเกินเรียนเก่งเหลือเกินหรือชื่อคุณเพราะเหลือเกินหรืออย่างน้อยที่สุดหามุมยกไม่ได้จะขยับขยับดูแค่ว่าคุณน่าสงสารหรือไม่ก็ว่าท่าทางเหมือนกับอีกคนหนึ่งที่ผมสงสารอย่างนี้ก็ได้เรียกว่าขยับหาที่ยกบางที พอขยืนให้เห็นที่ยกได้บ้างถ้าลงได้ยกพอคเนว่าใจลอยหลุดขึ้นจากสิ่งผูกพันแล้วแม้นใครจะขอความรักก็ได้รักนี่ไม่ได้สอนให้เป็นเจ้าชู้แต่พูดมาถึงเรื่องยกยอก็เลยแย้มให้เห็นทางจิตวิทยานิดหน่อยการยกยอเป็นการทำให้ใจคนลอยขึ้นได้สะดวกที่เขาจะใช้ การยกยอเป็นสิ่งที่ต้องระวังเราจะให้ใครยกก็ได้ไม่เสียหายขอสำคัญพอถูกยกยอเราต้องรู้ตัวให้ทันว่านี่ยกยอคือเขาจะกินปลาเราเขาจึงยกอย่างผมเองก็มาถูกยกเอาเมื่อจวนเข้าพรรษานี่เองพอคุณประสานกรรมการยุวพุทธิกาสมาคม โรศัพท์ไปบอกว่าหมู่นี้มีแฟนถามถึงบ่อยผมก็รีบนึกทันทีว่าอ๋อนี่เขายกเห็นจะกินปลาเราอีกกระมังแล้วก็จริงอย่างนึกนึกไว้เสียอย่างนี้เวลาเขาปล่อยยอให้จมตอนออกพรรษาแล้วจะได้ไม่ทุกใจเรื่องยกยอนั้นขอให้รู้ตัวไว้เสียแล้ว เป็นหมดปัญหาที่จะทุกข์หมดจริงๆคือมันรู้ไวเสียแล้วดูแต่คนที่เขาเป็นเล่นลิเกสิพอแต่งตัวสวมชฎาเป็นพระอินก็รู้ตัวไว้ว่าพอลาโรงตัวก็จะต้องเลิกเป็นเมื่อกลับคืนเป็นตาอะไรเดินดินกินข้าวตามเดิมตอนเลิกเล่นได้ก็ไม่เห็นเขาทุกข์สักนิดกลับรู้สึกสบายใจ นั่งไข่ห้างร้องเพลงหัวเราะร่าเริงเสียด้วยซ้ำคนเรานี้ถ้าถูกยกยอและรู้ว่านั่นเป็นยกยอ ก, ก็หมดเรื่องว่าเรื่องยกย่องต่อไปก็ยกเหมือนกันนั่นแหละต่างแต่ว่ายอหรือย่องเท่านั้นพูดถึงทางภาษาก่อนคำว่าย่องเป็นคำไทยโบราณแปลว่าแต่ง ทำให้สวยงามขึ้นเวลานี้ทางถิ่นไทยเดิมยังใช้อยู่ทั่วไปเป็นคำพื้นบ้านธรรมดานี่เองเราอาบน้ำเสร็จแล้วยืนตรงหน้ากระจกหวีผมผัดหน้าท่าปากเขียนคิว้วอย่างนี้เรียกว่าย่องเป็นคำมีค่าเท่ากับคาว่าแต่งนั่นเองการยกคนให้สูงเด่นขึ้นเช่นให้เป็นร้อยตรี ร้อยโทร้รอยเอกและอื่นๆเสร็จแล้วแต่งให้มีศักดิ์คือให้เป็นผู้มีอำนาจอย่างนั้นอย่างนี้ให้มีสิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้การยกแล้วแต่งหรือยกด้วยแต่งด้วยอย่างนี้เรียกว่ายกย่องคำที่ชอบพูดติด ก, กันว่ายศักดิน้นคำว่ายศก็เป็นเรื่องการยก คือเชิดให้เด่นขึ้นส่วนสักหมายถึงอำนาจที่มอบให้เพราะฉะนั้นคำว่ายกย่องกับคำว่ายศศักดูจะลงตัวกันได้กระมังตอนสมมุติหุ้มคนความจริงยศเป็นเรื่องโลกสมมุติคือชาวโลกพากันสมมุติขึ้นใช้ไม่ใช่เนื้อแท้ของคนเรา แต่สมมุติอย่างนี้เรียกว่าสมมติสัจจะคือเป็นเรื่องสมมติจริงยอมรับกันทั้งสามโลกและทางธรรมคราวนี้เนื้อแท้จริงๆที่เกิดมาก็มีเพียงร่างกายเป็นท่าสี่คุมกันและมีจิตใจครองอยู่คิดโนอนคิดนี่ได้เท่านั้นเองแต่ครั้นอยู่ในโลกหนานเข้าก็ถูกชาวโลกที่เกิดก่อนบ้างที่เกิดทีหลังบ้าง เอาสมมุติของโลกมาหุ้มให้เป็นชั้นเป็นชั้นจนมองไม่เห็นจริงเริ่มแต่เขาสมมุติให้เป็นลูกเป็นน้องเป็นพี่เป็นน้าเป็นอาเป็นลุงเป็นป้าจนกระทั่งเป็นปู่ย่าตายายแล้วยังเป็นในสิบในร้อยในพันเรียกว่าเป็นกันจนจำไม่ไหว ที่เป็นนั่นเป็นนี่นั้นเป็นเรื่องของสมมตุติคนแต่ละคนถูกสมมุติหุ้มเสียจนหนาเตอะทุกวันนี้เราพบเห็นกันเราก็เห็นแต่สมมตุติพอเจอปั๊บก็นึกทันทีว่านี่ลุงนี่ป้าหรือเห็นลุงเห็นป้าที่จริงคำว่าลุงป้านั้นก็เป็นสมมุติ ทุกคนเอาสมมุติออกรับกันทั้งนั้นที่เราพูดกันทุกวันนี้ว่าผู้ใหญ่หรือผู้น้อยก็หมายถึงสมมุติของท่านผู้นั้นสแสดงว่าท่านมีสมมุติหุ้มตัวไว้หนามากหรือน้อยคนตัวเล็กๆถ้าสมมุติหุ้มมากก็เป็นผู้ใหญ่ตัวโตโตแต่ถ้าสมมุติหุ้มบางๆก็คงเป็นผู้น้อย อย่างคนหนึ่งเป็นนายพลอีกคนหนึ่งเป็นนายพันคนเป็นนายพลก็เป็นผู้ใหญ่กว่าเพราะมีสมมุติหุ้มมากหลายชั้นกว่าตั้งแต่ร้อยตรีร้อยโทร้อยเอกพันตรีพันโทพันเอกกว่าจะถึงนายพลซึ่งเป็นสมมุติชั้นนอกที่สุดของท่านตีเสียว่าตั้งเจ็ดถึงแปชั้น ส่วนในพันนั้นเพิ่งหุ้มมาได้ไม่กี่ชั้นน้อยกว่าในพลจึงเป็นผู้น้อยแล้วที่ท่านเป็นผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่าใหญ่จริงๆแม้แต่เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆก็ต้องขยายขึ้นดูแต่พรมผืนหนึ่งถ้าพระอันดับนั่งก็นั่งได้สบายสบายตั้งสิบองค์ถ้าให้เจ้าขุนนั่งก็ได้สักสองถึงสองค์ ยิ่งถ้าให้สมเด็จนั่งก็นั่งได้องค์เดียวเท่านั้นองค์อื่นจะมานั่งรวมไม่ได้เพราะสมมติท่านใหญ่สมมุติกับสมมตุติมันเกิดเสียสีเกินเข้าทําให้ไม่สบายยิ่งถ้าผู้ใหญ่ขนาดใหญ่มากๆห้องทั้งห้องก็อยู่ได้คนเดียวเท่านั้นเองคนอื่นอยู่ด้วยไม่สะดวกเพราะมันเกิ ก, กะทางที่สมมติของท่านจะหันไปหันมา แม้แต่จะเข้าไปทำอะไรหรือเดินผ่านท่านผู้ใหญ่ก็ต้องก้มต้องหมอบถ้าไปทำกลางข้อกลางแขนจะทำให้ท่านไม่สบายเพราะเกิ ก, กะสมมุติของท่านตอนอิทธิพลสมมุติแต่ผมก็ได้กล่าวมาแล้วว่าการยกย่องเชิดชูนั้นแม้จะเป็นสมมุติ แต่ก็เป็นสมมติสัจจะมีมานานเป็นที่ยอมรับนับถือกันทั้งทางโลกทางธรรมที่ผมนำมาพูดในที่นี้ก็โปรดอยากเข้าใจว่าเป็นการเหยียบย่ำทำลายความศักดิ์สิทธิ์เพราะผมไม่เจตนาอย่างนั้นต้องการพูดในแง่การได้ยศตามเรื่องของโลกธรรมเท่านั้นเองทุกวันนี้ คนเราก็ติดสมมติกันจนไม่มีทางจะถอนตัวได้เป็นส่วนมากสมมุติก็เลยแผ่อิทธิพลครอบงำจิตใจของคนคือทำให้เกิดสุขเกิดทุกข์ได้เช่นอย่างเราไปเที่ยวงานวัดผ่านแม่ค้าหน้าฉล่มคนหนึ่งเขาร้องเรียกว่าคุณลุงขาอุดหนุนลูกหลานหน่อยค่ะพอโดนเรียกคุณลุงเข้าเท่านั้น เรารู้สึกว่าใจมันเหี่ยวแห้งเข้าทันทีชักไม่พอใจนึกว่าข้าไม่ซื้อไม่เสืร์มันละครั้นเดินไปเดินไปเจอเข้าอีกคนเขาร้องเรียกว่าคุณพี่ขาไม่อุดหนุนหนูบ้างหรือคะใจเราเป็นอย่างไรรู้สึกว่าดินฟ้าอากาศมันค่อยยังชั่วหายใจหายคอสะดวกพลางก็นึกว่า เอาเท่าไหร่เท่ากันความจริงคําว่าลุงกับคําว่าพี่ก็เป็นสมมุติด้วยกันแต่มีอิทธิพลครอบงําใจไม่เหมือนกันถ้ายิ่งใครยังไม่เคยโดนเป็นคุณตาพอโดนเรียกคุณตาเข้าครั้งแรกมันให้รู้สึกเย็นสันหลังบูบทีเดียวเรื่องสมมุตินี้อิทธิพลร้ายกาจนักคำอื่นๆก็มีเช่นคําว่า บุคคลที่เราทับศัพท์มาจากภาษาบาลีว่าปุคโลแปลว่าผู้กลืนกินของเนา่าคือหมายความว่าในท้องในไส้ของคนเรานี้เต็มไปด้วยของบุตรเน่าทั้งนั้นทั้งคนสวยที่สุดทั้งคนขี้เหร่ที่สุดที่จะสะอาดล้วนร้อยเปอร์เซ็นเป็นไม่มีแล้วบางทีพระท่านเรียกคนว่า อสุจิคัโตแปลว่าหม้อของเนา่าเคยเห็นคาอธิบายบางแห่งอธิบายว่าคนเรานี้ดูกันให้ซึ้งแล้วก็คือถุงหนังที่บรรจุของเน่าย้ายไปย้ายมาได้นั่นเองรู้สึกว่าท่านช่างว่าช่างเรียกจริงๆที่มองตัวคนเป็นถุงหนังก็เข้าทีดูให้ดีแล้วก็ถุงหนังจริงของท่าน แล้วของที่บรรจุไว้ในถุงก็เป็นอย่างท่านว่านั่นแหละทุกอย่างที่ทะลักออกมาจากถุงนี้แล้วไม่เห็นมีอะไรสะอาดเลยไม่ว่าจะออกมาเป็นเนื้อเป็นน้ำเป็นลมใช้ไม่ได้ทั้งนั้นแล้วก็ด้วยเหตุที่ว่านี้แหละท่านจึงเรียกคนว่าบุคคลแต่คำนี้เราถือว่าเป็นคำสูงเสร็จแล้วถือจนติ ได้ยินใครเรียกว่าบุคคลก็สบายใจแต่ถ้าใครเกิดอุตริไปแปลเข้าเป็นไม่เดียวเรื่องอย่างเช่นการแสดงปากฐกถานี้ถ้าผมจะขึ้นต้นว่าสวัสดีท่านผู้กลืนกินของเน่าทั้งหลายก็คงจะทำความลำบากให้แก่ท่านผู้ฟังอยู่เหมือนกันนี่ยกมาให้เห็นที่ว่าเราติดสมมติกันจนแน่นเสียแล้ว ผู้ที่ถูกล่วงเกินในเรื่องสมมติก็ไม่พอใจเพราะมันไม่สบายใจที่ถูกฉีกสมมติอย่างเช่นผมนี้ขอโทษที่ต้องยกตนเองมาเป็นตัวอย่างเพราะถ้าขืนไปยกคนอื่นเข้าก็จะเป็นการล่วงเกินสมมติของเขาเมื่อเล็กๆ เ, เ, เขาเรียกว่าไอ้แกลคำว่าไอ้แกลนี้เป็นสมมติที่ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ผมชอบมากแต่ต่อมาต่อมาสมมติอื่นมาหุ้มทับเข้าไปเข้าไปจนกระทั่งเป็นนายปิ่นสามเณรปิ่นเป็นพระมหาปิ่นเป็นอนุศาสนาจารเป็นท่านมหาหลายสิบชั้นเข้าไปแล้วสมมติเดิมคือไอ้แกละเวลานี้ถูกทับไว้ลึกมากจนไม่มีใครเรียกเสียนานมาแล้ว ทุกวันนี้ถ้าเกิดมีใครมาเจอผมแล้วร้องทักว่าไอ้แกละใจก็เกิดไม่สบายทันทีโถจะให้สบายอย่างไรไอ้แกละมันอยู่ลึกเข้าไปอีกตั้งหลายชั้นเล่นฉีกสมมติกันรวดเดียวมันก็เจ็บแย่นี่เรียกว่าเล่นไม่เป็นถ้าเล่นเป็นก็ไม่เป็นไรคือค่อยๆเปิดสมมติเข้าไปทีละชั้นทีละชั้น พอแรกเจอก็ทักสมมตินอกเสียก่อนว่าท่านมหาแล้วก็ค่อยๆขยับเข้าไปจนกระทั่งว่านี่ท่านมหายังจาได้ไหมเมื่อเป็นเด็กๆท่านชื่อไอแกละใช่ไหมค่อยๆ ค, คลากันอย่างนี้ผมก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรก็มีแต่ครับครับเท่านั้นหนักเข้าก็ครับผมคือไอแกละถูกแล้วครับ เท่านั้นเองไม่ทุกสักนิดสนุกดีเสียด้วยซ้ำ